ขอความจเจริญในธรรมจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปปทิยานในวันนี้คงเป็นการกล่าวถึงพุตุธานคาถาคือคาถาที่เป็นพุธุธานตอนที่ทรงประรบคำถามของพระมห์มุกขชาติที่มากราบทูลถามว่าบุคคลชื่วเป็นพรามโดยเหตุเพียงเท่าไหร่ ก็แลทำเหล่าใดทำบุคคลให้เป็นพราม์ซ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของการปฏิรูปคำว่าพรามในความหมายของคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายความว่าบุคคลใดมีบาปธรรมอันลอยเสียแล้วคือละกิเลสละ ก, กรรมได้หมดแล ภ า, ายในจิตใจจึงมีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเป็นตัวกระตุ้นให้ไปขู่คนอื่นด้วยคำหยาบก็ไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดมีตนสมรวมแล้วถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วก็มาถึงประเด็นของพรหมจรรย์ที่อยู่จบแล้วแต่เระยกตัวอย่างพรหมจรรย์ ในชีวิตของสามัญชนทั่วไปก็เป็นการพูดเรื่องทานพูดเรื่องวยาวจจะไม่คือการช่วยเหลือคนไายกันในทางที่ชอบจุควแล้วก็ศีลการสำรวมระวังรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่มีโทษแล้วก็สถาละชันโดดคือเป็นผู้ชายก็ยินดีในปัญญาของตนเองแล้วปฏิวัต คือปัญญาก็ดนดีเฉพาะสามีของตอนเองแต่วันนั้นก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่มีสมบูรณ์ภายในใจิตใจของพระอรหันต์พระไทยของพระพุทธเจา้าแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมรรคนะฮะคือหลักการดำเนินชีวิตของบุคลคลหรือคนดีทั้งหลายในโลก โดยเนื้อหาสาระเราจะเห็นว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องนับถือพุทธศาสนาเสมอไปประการช่วยเหลือกันด้วยการมีความสุจริตใจระหว่างสามีพัญญาเนี่ยโดยการอยู่ในระเบียบิีในตลอดถึงการแสดงความมีน้ำใจอปป อ, อมาริกันเป็นธรรมะปฏิบัติที่เป็นสากลซึ่งก็แสดงเห็นว่า คุณธรรมเหล่านี้แสดงเกณฑ์สูงสุดเอาไว้ในขณะเดียวกันคนทั่วๆไปก็โดยเสด็จรออยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าได้ประเด็นต่อไปเป็นการพิสูจน์ทดสอบถึงความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในพระไทยของกพระพุทธเจ้าว่าปราศจากอสวะกิเลสอย่างแท้จริง คือบทพิสูจน์ทดสอบเนี่ยบางทีถ้าเราไม่เจอบทพิสูจน์ทดสอบเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรจะนึกตัวอย่างเราอาจจะรักษาศีลแล้วก็มีปัญหาในด้านเรื่องการเงินดูพอดีก็พบเงินเขาวางลืมไว้จานวนมากถึง่งซาเราหยิบไปเนี่ยมันแก้ปัญหาตรงนั้นได้ มาเกิดการต่อสู้กันระหวังศีนกับเงินเพื่อจะเอาอะไรเกิดจะเอาสินไว้ก็ต้องไม่เอาเงินเ้าเงินก็ต้องทิ้งศีนตรงนี้จะต้องอาศัยพลังปัญญาพลังสติในการลึกรู้ในการคิดพินิพิจนาเป็นการมองระยะสั้นๆไม่ได้ก็ต้องมองในช่วงยาวๆ ว่ถ้าเราขืนหยิบไปในช่วงใดก็ตามนะฮะเราก็กลายเป็นอย่างน้อยก็อยากย่อรั์หลักรั์แล้วปัญหามันจะติดตามมาอีกมากจนถึงละเมิดศีลข้ออธินาทานแล้วก็เป็นบาปกรรมที่จะต้องชดใช้วันเดนที่จะเป็นการแก้ปัญหามันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาก็หลายวันมาแล้วได้ไปบัญญายพรมที่ต่างจังหวัด แล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ฟังซึ่งเป็นนักศึกษาก็เธอถามปัญหาเธอถามมาเยอะจะมีบางปัญหาเราเห็นได้ชัดเจนว่าในการต่อสู้กันระหว่างจิตสำนึกหรือมโนธรรมสำนึกกับความเห็นแก่ตัวหรือว่าอาจจะพูดว่าความมักง่ายของคนก็ได้ มันก็มีทั้งฝ่ายชนะความชั่วแล้วก็ฝ่ายแพย้ต่อความชั่วแต่ความคิดที่น่ากลัวก็คือเรื่องบางเรื่องไม่น่าจะรังพลาดไปขนาดนั้นก็มีคำถ า, ถามถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องอะไรก็ไม่ได้บอกไว้แล้วเลยสุขทางออกแก่ตัวเองไม่ได้ ก็ไม่กลาบอกพ่อแม่หรือบอกญาติผู้ใหญ่ก็ปรึกษากันในหมู่เพื่อนฝูงจะหยิบยืมใครก็ไม่มีใครมีเงินบางพอที่จะให้หยิบยืมในสุดก็แนะนำให้มีการขายตัวเปืืองเงินไม่ใช่นี่เขาเป็นความคิดที่น่ากลัวน่าสะดุ้งนะตกใจเลยพออ่านเนี่ยตายแล้วมันไปกันใหญ่ เดีนี่คือแสดงไรแสดงให้เห็นว่าภายในใจมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเองมันจะมีการต่อสู้กันอยู่ระหว่างอำนาจฝ่ายต่ำกับอำนาจฝ่ายสูงหรือว่าธรรมะการธรรมมันก็ชักกระเยาะกันอยู่ภายในใจเรานี่ยรัตนพงศ์อาจารย์ในแนวนี้ที่จริงแล้วมันควบคุมได้ระดับอาการทางกายทางวิชาจิตใจอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอก็ได้ เราจึงพบการละเมิด บ, บทบัญญัติของศีลระดับต่างๆซึ่งก็มีทั่วไปไม่ได้เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือการใจจืดใจดำเวลามีเรื่องที่ควรแก่การช่วยเหลือกันกฎบางพวกก็จะจืดใจดำไม่ยอมช่วยเหลือหรือการสำรวจอาการทางกายทางวั จ, จา แต่บางครั้งในอย่างใ น, ในกรณีที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยแม้เราจะไม่สมาทานศีลมาเนี่ยคือถ้าจิตสำนึกเราดีพอเนี่ยเราไม่เอามันเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างปัญหาและปัญหาที่สร้างกันมามากกว่าปัญหาที่เราแก่สมมติว่าเราเป็นนี่เป็นศีลเขาเนี่ยเราก็ต้องใช้ความพยายามชดใช้ผ่อนผันกันไป แล้วก็เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเฉพาะชาตินี้แต่ถ้าหากว่าเราเกิดไปละเมิดศีลขึ้นมาจนเป็นอาทิตนาภาน ม, มันอาจจะแก้ปัญหาระยะสั้นในชาตินี้ได้แต่ก็มีปัญหาบาปกรรมไี้จะต้องชดใช้ในชาติภบต่อไปมันคำสอนในพระพุทธศาสนาจึงสอนถึงประโยชน์สามช่วงอยู่เสมอนะครับเกี่ยความว่า เวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามก็จะให้คนมองเห็นเรื่องปัจจุบันเรื่องต่อไปแล้วก็ต่อต่อไปโประกรรมที่เราทำลงไปไม่ว่าจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตา ม, มันมีลักษณะเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งท่านบอกว่าอดีตกรรมนั้นติดตามคนไปเป็นแสนโฆฆกรกลับแบ่งปีคือสั์ใดที่ยังไม่ให้ผลเนี่ยเราก็ต้องชดใช้แต่ว่าเจอเมื่อไรเขาไม่รู้ ปัจจุบันในกรรมที่เราสร้างขึ้นก็มีลักษณะเช่นเหมือนกันมันก็กลายเป็นสมบัติติดใจของเราไปเราก็ผ่านภพชาติไปควมความคิดแนวพรหมจันยร์จึงไม่ใช่อยู่เชพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่ก็มองไปตามโครงสร้างของศีลสมาธิปัญญาหรือมองโครงสร้างของประโยชน์ทั้งสามระดับคือดับชาตินี้ชาติหน้าและก็ชาติต่ อ, ตอไป กรณีเพิงสังเกตอั น, นิส ง, งส์ของศีลซึ่งก็คุ้นคุ้นกันอยู่โดยทั่วไปที่ท่านบอกไว้ในตอนท้ายของศีลเมื่อสีเลนะสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็เพราะศีลสีเลนะภพกสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์โดยภพกสมบัติได้ก็เพราะศีลสีเลนะนี่ปุตติยันติจะบรรลุมรรคผลนี่ผ่านได้ก็เพราะศีลองนั้นก็จงชำระศีลของตนให้หมดจด หมายความว่าในแม้ในความเป็นศีลเองเนี่ยศีลเป็นบาตเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ตะโกนปฏิบัติประนีขึ้นไปมันก็กลายเป็นธรรมะมันก็กลายเป็นกรรมฐานสมถันกรรมฐานวิปัสสนานกรรมฐานไปในที่สุดมันจึงเอื้อประโยชน์ทั้งสามระดับคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติ ทีนี้ท่านที่อยู่จบติพรหมจรรย์จริงๆยกตัวอย่างไว้เอก เ, เอาเฉพาะระดับศีลนั่นนะครัก็เรียกว่าจิตมันไม่กำเริบลองดูตัวอย่างง่ายๆเช่นศีลข้อที่ข้อที่สามนะกามเมศสมิตรจาร์เอาการเมศสมิตาจาร์อะไคือถ้าคนที่มีสถานะสันโดษจริงๆคือยินดีด้วยพัญญาคนตนเองจริงๆหรือภักดีต่อสามีตัวเองจริง ๆ, ๆ มันจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นไปในจิตเขาเรียกว่าการมาสังวรคือสำรวมระวังในเรื่องทางเพศคือจะไม่รู้สึกในทางเพศต่อชายอื่นหรือไม่รู้สึกในทางเพศต่อหญิงอื่นที่สำนวนอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเขาใช้คมนะฮะใช้ได้คมว่าเป็นชูทางใจคือไม่มีแม้แต่ชู้ทางใจ เพระาะใดเพราะว่าในการรักษาศีลเนี่ยที่จริงมันมจะมีอยู่สีสี่จังหวะสี่ช่วงอย่างในศีลข้อกามเมีสมิจจาร์เนี่ยคือหนึ่งไม่ละเมิดในทางประเวณีคือคู่ครองของคนอื่นด้วยตัวเองเออสองไม่ยกย่องส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นทำอย่างนั้น แล้วก็สามนี่ไม่ชื่นชมยินดีต่อคนที่มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่ามีปัญหาก็ในวรรณคดีของเราที่เราชื่นชมกันพระเอกในวรรณคดีของเราเนี่ยก็ยกเว้นขุนช้างขุนแผนนะนะที่แย่งเมียกันเนี่ยคนอื่นไม่มีปัญญาเกินเกินหนึ่งเท่านั้นเนี่ย อย่างพระไปมณีก็เกิดหนึ่งแล้วก็ในตังลัตทั้งหลายนะฮะวันนกักดีของเราทั้งหลายนี่จะมีปัญญากเกิดหนึ่งแล้วก็มีรามเกียรติอีกเรื่องหนึ่งเึงแย่งผู้หญิงกันระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามมันก็แสดงให้เห็นว่าเราอ่านและเราชื่นชมวันนคดีเหล่านี้ก็สืบต่อมาได้ยกย่องเรื่งวีรกรรมของคนเหล่านั้น แต่ในแง่ของธรรมะแล้วก็ถือว่าจิตใจยังกำหนัดเพลิดเพลินในการมาคุณคือยังยินดีในการมาคุณไม่สารวมระวังจนถึงจุดหนึ่งคือสงบความคิดที่เกี่ยวกับกรบรมไปตกคือเนียวนึกตึกนึกเอดอมหน้าของการมมาลากมีความสารวมระวังในทางกรรมเรื่องใหญ่นะก็ทำได้สี่ระดับไม่เป็นความประณีตขึ้นไปในภายในจิตใจ ตรงนี้เวลาสรงอธิบายกุศลกรามบทสิเนี่ยจะสรงอธิบายเป็นขั้นเป็นขั้ น, เ ป, น, นเป็นขั้นไปแล้วขั้นสุดท้ายจะเข้าถึงจิตที่สงบเย็นในแต่และระดับทีนี้เมื่อมีความสงบเย็นในระดับใดก็ตามท่านก็บอกว่าอย่างพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนั้นไม่มีกิเลสเครื่องฟูกขึ้นในอารมณ์ไหนไหนในโลก มาความจะมีการด้วยยุจะมีการด้วยยวนจะมีการข่มขู่สารพัดที่จะทําก็ตามแต่ก็จะทํานะฮะเขาทำยังไงเมื่อเรื่องของเขาแต่ท่านเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวที่ทรงอุปมาว่าเหมือนภูเขาศีลาแท่งทึบซึ่งไม่หวั่นไหวด้วยลมทึ่งพัดมาจากทิศทั้งสีเพรา ะ, ะนั่นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตาทีโนคือคงที่หลังจาก หมดกิเลสจากพระไทยแล้วเนี่ยหรืหมดกิเลสจากจิตใจแล้วของพระอาจารทั้งหลายนีย่ต่อแต่นั้นจะไปเจออารมณ์สวยงามอย่างไงน่ากลัวอย่างไงน่าขัดเคืองอย่างไงก็ตามจะไม่มีความกำหนัดจะไม่มีความขัดเคืองจะไม่มีความลุ่มหลงจะไม่มีความ ม, มัวเหมาเพราะเราจึงพบเหตุการณ์ในระยะหลังนี้ยเราพบว่ามีคนเอาลูกสาวสวยๆมามอบถวายราพระพุทธเจ้าว้า ที่ดา ม, มานางตนาราคาราตีมรรยหยวดบ้างนะซึ่งจะกล่าวในโอกาสต่อไปเนแต่พระไทยของพระองค์นั้นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นคือบันทีนั้นอุปมาสภาพจิตของพระพุธทธเจ้าพระหันทั้งหลายว่าเหมือนกับใบบัวเนี่ยมันเกิดเจริญเติบโตอยู่ใน น, น้ำจริงแต่แกก็ยกยอดยกตัวเองขึ้นมาได้ แล้วน้ำก็ซึมเข้าไปในกรีบบัวใบบัวไม่ได้รหัสทั้งหลายที่จริงก็คือสามัญชนมาก่อนนะแต่เมื่อปฏิบัติพัฒนาจิตใจไปถึงจุดหนึ่งท่านก็อยู่ท่อมกลางอารมณ์ถึมันบุนวายนั่นแหละียงแต่ว่าท่านไม่เต้นไปตามจังหวะความบุ่นวายเหล่านั้นซึ่งข้อ น, นี้บางครั้งบางคราวเนี่ยมนุษย์มันมีอารมณ์วิกฤต ที่มีข่าวมาหลายปีมาแล้วที่บ้านนิวยอร์กควยดับนะฮะแล้วก็มีคราวหนึ่งที่ไหนที่เท็กซัสหรือที่ไหนรถบรรทุกเงินมันตกถนนเงินก็กระจายลงมาเต็มมันมีคนนี่เป็นโจรไปทันทีเลยโฉกชิงกันหยิบช่วยกันแล้วก็วิ่งหนีกันหลายปีมาแล้วเน้องสะพ้ยายกันแต่มาเขามาเล่าให้ฟัง คือเขามาตรงนั้นพอดีรถบรรทุกหมูต้นมะรีบับท่อนะฮะรถบรรทุกหมูแต่มันเกิดเกิดตกถนนนะไอหมูไอหมูหมูที่ผ่าเป็นซีก่ก็ตัวทังผ่าเป็นสองซีกเนะี่ยมันก็ตกลงระเนระนาดไปหมดเลยบอกว่ารถติดเป็นแถวแล้วมันโจดมันหยุดปั๊บแล้วมันก็หยิบใส่ท้ายรถ อาจจะแน่นรถเบนซ์ยังเอาเด็กข้าวรถอยู่คนเดียวตะโกนขอร้องไม่ไม่ฟังเราก็นึกภาพว่ า, วามนุษย์เราเนี่ยพอถึงส่ส น, นึงมันมีสิ่งด้อยวนขึ้นมามมนค่อยคิดอะไรแล้วถ้าใครไปจับภาพถ่ายเอาไว้ในของน้าดูนะฮะคือนั้นเวลาความโลภมันเกิดขึ้นเนี่ยไอสติมันจะหายไป แทนที่จะเกิดเมตตากรุณาอย่างนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นมันควรจะเกิดเมตตากรุณาแล้วนะไม่ควรจะไปซ้ําเติมเขแล้วแล้วก็คนบรรทุกรถบรรทุกทั้งคนขับทั้งคนเด็กรถอ่ะมันไม่ใช่เจ้าของเจ้าของก็คือบริษทัททางร้านของเขาแต่พฤติกรรมเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ก็ถามว่าเกิดที่อื่นไหมก็อย่างคนที่แย่งเงินเหรียญกันทีแเท็กซัสหรือว่าแย่ง ไฟดับที่นิยมหลายปีมาแล้วที่มีข่าวว่าคือทุกคนกลายเป็นโจรไปทันทีความเป็นพลเมืองดีมันหายไปเพราะว่าการกระทําของคนอื่นมันไปยั่วยุให้อยากได้อย่างนั้นบ้างอยากมีอย่างนั้นบ้างอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเห็นเพื่อนเอาก็เอาด้วยนะก็เลยฮีโร่สลากากันไปตามดันดับเนี่ยแต่ถ้าคนซึ่งมีจิตสํานึกสูงอยู่ตรงนั้นด้วย ท่านอาจจะห้ามปราณท่านอาจจะขอร้องท่านอาจจะชี้แนะนะฮะแต่ถ้าทําไม่ได้ท่านก็วางเฉยอยากจะโทรศัพท์ไปบอกกล่าวชี้แจงแตำรวจแล้วตัวเองก็เข้าไปช่วยรถของราชการตรงนั้นแต่ว่าปัญหาว่าคนจะ ท, ทําได้กับเท่าไหร่ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเวลากระทบอารมณ์ในใจมันเป็นอย่างไง มันเหมืนแต่เราสมาทานศีลไม่ดื่มสุราแต่ไม่มีสุราให้ดื่มเนี่ยมันต้องเอาสุรามาวางไว้ด้วยแล้วเราไม่ดื่มแล้วก็ถ้าต้องการทดสอบตัวเองก็อาจจะนั่งอยู่ทําการกลิ่นสุรานั่นแหละสุราก็อยู่ในแก้วฟืนก็ยื่นให้แต่เราไม่ดื่มคือดัดสันดานตัวเองจะให้อดกลั้นอดทนดอรดอรานั้นได้ เราก็หนักแน่นมั่งคงได้ระดับหนึ่งนะเนีก็ทานองลคล้ายๆคนเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มเหล้าเลิกเล่นการพ น, นันอะไรอะไรเนี่ยเวลามีการเชิญชวนชักชวนให้ไปทําอย่างนั้นก็ไม่ทําโดยแสดงว่าควคงมที่ได้ระดับหนึ่งแต่การหลุดพ้นในแนวนี้หรือการคงที่ได้ในแนวนี้มันไม่ถาวรไม่ยั่งยืน บางครัง้งบางคราวสถานการณ์บีบคัน้นหรือโยโยวนแรงขึ้นเราอาจจะรักษาความดีตอนนั้นไว้ไม่ได้ก็ได้แต่ระุธเจ้าพระอราหาันต์ทั้งหลายนั้นพระไทยของท่านนี่เหมือนกับอะไรถ้าเราอุปมาเหมือนกับมะเร็งวันมันหยอดไข่นะเราลองสังเกตดูมเลเร็งวันหยอดไขน่นะี่คือถ้ากหยอดตังบนปลาบนเนื้อเนี่ยมันต้องมีไ ข, ข่ค้างมันเป็นนอนแล้วก็น่าได แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแข่งที่แมลงวันหยอดไข่ลงไปจะต้องเน่าจะต้องเป็นไ ข, ข่ขางจะต้องเป็นนอนปนัญหาว่าเขามีเชื้อหรือเปล่าฉันหยอดในกระจกหยอดในกระเบื้องหยอดในกระดานอะไรต้นเนี่ยมันไม่มีเชื้อเน่าอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นนอนได้จิตใจของพระหานที่ท่านว่าเรียกว่าไม่มีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในรลมไหนไหนในโลก เขาเรียกว่าไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงไม่ว่าจะประสบความสุขหรือความทุกข์ก็ตามแต่ที่จริงถ้าเรามองการเผยแผ่าศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรียบร้อยไม่มีประศักอะไรแล้วมันมีประศักมหาศาลเลยนะถ้าศึกษาในวินัยแล้วจะชัดเจนมากเลย ว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระอาหารหันต์ทั้งหลายหรือแม้แต่พระสามัญชนเนี่ยถูกเบียดเบียนถูกประทุสร้ายเกิกับคนนอกศาสนาในสารพัดก็ทําทุกวิธีทุกรูปแบบแโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าใช้คนของเราเป็นเครื่องมือในการทํำลายคนของเราเองเช่นสร้างข่าวให้เกิดความแตกแย ก, กให้เกิดความสับสน แล้วก็คนก็เราก็เกิดไปเชื่อข่าวตรงนั้นเขา้าก็ไปโจดไปทวงไปขับไล่คนของเราอะฮะที่ก็เห็นว่าคนเหล่านี้ถ้าอยู่แล้วเนี่ยกำลังก็ศาสนาจะได้ศาสนาจะได้กำลังเพราะเราจึงได้มีข่าวมีเรื่องนะ้ม่ใมีข่าวว่าเกิดจริง นะเช่นทรงนางจินจะมานาวิกาไปย่วยวนพระกุเจยาเดี๋ยวข้าจัดตัวแม่ทัพเลยนะหรือว่าฆ่านางสุงศีปริพาติกาไปหมกไว้หลังประคันธุกุฎีของพระกุฎจยาหรือการที่จ้างคนตั้งโจนตั้งห้าร้อยนะมาฆ่าพระอ์กุลมานะพระโมกกาลานะนี่เห็นไหมว่าเขามองเห็นว่าพระโมกกาลานะนี่เป็นกำลังสำคัญ ถ้ากวัวตัดพระภาหาของพระเจ้าศาสนาข้างหนึ่งเนี่ยศาสนาก็จะสุดลงไปเดีว่าชาพุทธยุคนั้นจิตใจก็เข้มแข็งก็แยกเป็นก็แยกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสมมติว่าพระบางทีก็ผิดจริงผิดจริงก็สุดไปแต่ว่ามันไม่กระทบกระเทือนต่อหลักการของพระศาสนาคนได้ก็ศรัทธาเริ่มใสในศาสนาอยู่ก็ก็ศรัทธาเรื่องใส ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบในกรรมของเขาคือศาสนาเป็นผู้ชี้บอกแต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องกลุ่มผลประโยชน์แตศาสนาเป็นผู้นําทางชีวิตแต่ละคนรับผิดชอบในกรรมของตนเองแล้วก็มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเปที่พึ่งอาศัยอย่างที่เราศึกษาขยายกันแล้วก็แสดงเห็นว่าจิตใจของท่านก็ไม่ฟูไม่แฟด ระดับเด่งนะฮแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยฟ้าถล่มดินทลายอะไรก็ไม่ฝูไม่แฟรอย่างพระอราหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็เหมือนกันหรือพระยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านไม่ฝูไม่แฟรคเราทัานแยกอะไรได้ชัดเจนไม่ใช่เป็นแนวที่จะเอาความผิดจากคนหนึ่งประโยชนใ์ในคนหนึ่งก็ทำให้แปกเปลี่ยนกันหมดแล้วก็ คนเรานั้นเองก็เถอะท่านก็ ท, ทําถ้าที่ทําก็ไม่กลับเมื่อกับตัวก็เป็นกรรมของเขาเองคือไม่ใช่ไปย้ํำทำย้ําพูดย้ําคิดออกข่าวแล้วออกข่าวอีกซ้ําๆซากๆเป็นเดือนๆนะภาพเดือนออกมาเป็นเดือนเนี่ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรดีต่อศาสนาแต่ว่าเจตนาที่จะแสวงหาประโยชน์ จากคนซึ่งชิงชังต่อศาสนาอยู่แต่ผล ท, ท้ายก็มันไม่เคยได้ประโยชน์อะไรนะก็ะคนที่เสียประโยชน์แทนที่จะขีดวงเอาไว้ว่าให้เสียเท่านั้นมันไม่ยอมเสียก็ลา ก, กันไปให้เสียไปเร่เร่วันจิตใจเหล่านี้ก็กจิตใจที่ฝูแฝกไปตามอารมณ์ตอนนั้นแล้วก็ความหมายที่สมบูรณ์ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์โดยธรรมนะฮะไม่ใช่เป็นพราหมณ์ ไม่ใช่เป็นพรามโดยกำเนิดอย่างที่พรามเขาประสงค์ทุกฟังทั้งหลายแต่รลวงทยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุ ก, กันสวัสดี